ผู้รอดตายเพราะสังฆทานชีวิตเป็นเรื่องลึกลับเราจะศึกษากันแต่ภายในขอบเขตของประสาทสัมผัสเท่านั้นไม่ได้เพราะชีวิตไม่ได้ออกกำเนิดมาจากวัตถุ แต่ชีวิตเอากำเนิดมาจากวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้าและสิ่งที่จะบรรดาให้คนเราเป็นอะไรก็ได้นั้นความสำคัญก็ไม่ใช่อยู่ที่พ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมแต่อยู่ที่วิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณและนอกจากนี้ชีวิตของเรายังมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปาติกาอีกด้วย เพราะทุกชีวิตก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนล้วนแต่มาจากอปปาติกะทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องของชีวิตจึงต้องเพ่งแรงมาถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยชีวิตของเด็กหญิงจารุวันสินจารุตามที่พ่อของเธอได้บันทึกไว้นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพวกเจ้าตามนายเวนซึ่งเป็นชีวิตอยู่ในประเภทโอปปปาติกะนั้นอาจมีอิทธิพลเหนือชีวิตของมนุษย์ได้ ขอให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังลองศึกษาจากบันทึกนี้แล้วท่านก็จะรู้ถึงความเร้นลับของชีวิตอีกมุมหนึ่งเด็กหญิงจารุวรรณสินจารุเกิดวันที่6ธันวาคมพุทธศักราชส5 1 0ฉะนั้น ถึงวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2512จึงเป็นวันครบอายุสองขวบเต็มปีนี้การงานไม่ค่อยดีนักและไม่ใครมีเงินแต่เมื่อเป็นวันเกิดของลูกจึงได้มอบเงินให้แม่เด็กเข้าไป100บาทให้ไปทำสังฆทานให้ลูกสักหนึ่งองค์ก็ยังดีตอนเช้าลูกจึงได้ถวายสังฆทานไปหนึ่งองค์ตอนสายก่อนจะออกไปทำงานลูกยังแข็งแรงดีและได้มอบเงินให้ลูกไว้20บาท เพื่อให้ลูกไว้ซื้อขนมเลี้ยงเด็กๆที่เป็นเพื่อนแต่แม่เขาก็ไปซื้อลอดช่องมาทําน้ํากะทิเลี้ยงกันลูกๆและเพื่อนๆก็สนุกสนานกันดีตอนเย็นกลับมาประมาณห้าโมงกว่าเห็นลูกกําลังเล่นอย่างสนุกสนานและไม่มีทีท่าจะเกิดการเจ็บป่วยตอนประมาณสามทุ่มจะต้องออกไปทํารายการที่สถานีวิทยุรักษาดินแดนลูกก็ยังแข็งแรงแล้วลูกยังบอกว่าพ่อไปทํางานเถะ ไลจจะนอนละเดีย๋ยวพ่อกลับมานะพอตี2เลิกรายการกลับมาถึงบ้านเห็นไฟเปิดสว่างให้สงสัยแต่พอเข้าบ้านจึงรู้ว่าลูกไม่สบายตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มอาการไม่สบายก็คือเกิดไอขึ้นมาอย่างหนักและเกิดการหอบอย่างแรงและรู้สึกว่าจะมีไข้และมีเหงื่อออกเต็มตัวอยู่ตลอดเวลาลูกไม่เคยร้องอย่างนี้มาก่อน ตามปกติลูกเป็นคนช่างพูดและร่าเริงแต่ในคืนนี้เอาแต่ร้องและจะให้พ่ออุ้มพ่ออุ้มแกก็ร้องเหมือนกับตกใจอะไรเช่นนั้นรู้สึกตกใจไม่ทราบว่าลูกเป็นอะไรก็ได้แต่ให้ยาที่คุณหมอสิริให้ไว้รับประทานเข้าไปก็ไม่ดีขึ้นกรัณจะพาไปหาคุณหมอที่บ้านก็เกรงใจคิดว่ารอให้เช้าเซก่อนแต่พอตอนตีสี่ลูกร้องว่าจะไปวัดจะไปวัด เมื่อถามว่าจะไปวัดไหนแกก็บอกจะไปวัดแจ้งทั้งๆ ท, ท, ที่แกไม่เคยไปและทุกคนในบ้านก็ไม่เคยไปมาก่อนหรือพูดถึงวัดนี้เลยทาไมลูกจึงรู้จักใจคอก็ไม่ใคร่ดีเพราะลูกยังบอกว่าหายใจไม่ใคร่ออกทุกคนในบ้านไม่ได้หลับนอนจนจวนจะหกโมงเช้า จึงให้แม่เขานั่งรถพาไปหาคุณหมอสิริที่บ้านไปพร้อมกับลูกคนโตพอประมาณสักโมงเช้าลูกคนโตที่ออกไปด้วยกลับมาบอกให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะคุณหมอสิริท่านแนะนำให้รีบนำส่งโรงพยาบาลและท่านยังกรุณาแนะนำให้ไปโรงพยาบาลจุฬาเพราะท่านบอกเขามีเครื่องมือพร้อมรู้สึกตกใจมากเพราะคิดว่าอย่างไรลูกต้องเจ็บหนักแน่เพราะไม่เช่นนั้น คุณหมอสิริคงไม่แนะนาให้ส่งโรงพยาบาลเพราะทุกครั้งที่ลูกหรือใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยคุณหมอก็ช่วยรักษาให้จนหายไม่เคยแนะนำให้ส่งโรงพยาบาลถึงแม้จะหนักอย่างไรคุณหมอก็เอาไว้อยู่จึงรีบออกจากบ้านแต่ในใจคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคราวนี้ลูกเจ็บหนักแน่ถ้าจะยังไงชอบกนแต่ถึงอย่างไรเพื่อความแน่นอนก่อนไปโรงพยาบาล ก็ได้แวะเข้าไปบ้านคุณหมอเพื่อต้องการจะได้รับฟังจากคุณหมอว่าลูกจะไปอย่างไรแต่ก็ไม่ได้พบเพราะคุณหมอกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลและประกอบกับหลายคนในบ้านคุณหมอบอกให้รีบไปดูลูกที่โรงพยาบาลดีกว่าให้รีบไปพอมันถึงโรงพยาบาลแม่เขากำลังจะพาลูกกลับบ้าน สอบถามได้ความว่าหมอบอกไม่เป็นอะไรเพียงตลอดลมอักเสบฉีดยาให้หนึ่งเข็มและจ่ายยามาให้และให้กลับบ้านได้แม่เขาบอกลูกสบายดีแล้วจะเอาลูกกลับเหลียวดูลูกก็เห็นจริงเพราะอาการต่างๆที่เป็นนั้นไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นให้เป็นที่น่าวิตกแม่เขาก็จะเอากลับแต่เหมือนมีอะไรคอยบอกว่าลูกเจ็บหนักอย่าเอากลับนะ จึงได้ตัดสินใจไม่ยอมเอาลูกกลับบ้านขอให้ลูกได้อยู่โรงพยาบาลใกล้ๆหมอแต่ทางโรงพยาบาลก็ยังยืนยันว่าเด็กไม่เป็นอะไรให้กลับได้จึงได้เถียงไปและยืนยันขอให้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลถึงแม้ไม่มีห้องก็จะขอให้ลูกนอนอยู่แถวเนี้ยทางโรงพยาบาลคงเกิดความรําคาญจึงได้ติดต่อเรื่องห้องให้ก็ปรากฏมีห้องสําหรับเด็กยังว่างอยู่ให้ไปอยู่ที่ตึกหลุยส์ทีเงเลอโนเวน ใบส่งตัวลูกไปตึกหลุยหมอข้างหน้ายังแทงบันทึกว่าพ่อเต็มใจจะให้อยู่เมื่อได้ห้องแล้วก็มีรถของโรงพยาบาลมารับจากหน้าตึกไปตึกหลุยทีเดียวใช้เวลาในการต่างๆประมาณ10บนาทีพ่อมาถึงตึกหลุยและเข้ารู้ว่าให้อยู่ที่ใดหมอประจําตึกเข้ามาเช็คเท่านั้นอาการลูกซุดลงอย่างน่าใจหายเกิดการหายใจไม่สะดวกอย่างกระทันหัน และการหอบได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทีนี้การจุกกระหุกก็เกิดขึ้นทั้งออกซิเจนทั้งน้ําเกลือและเขาได้เชิญออกมานอกห้องทั้งพ่อและแม่ได้ยินแต่เสียงลูกร้องให้ช่วยหัวใจแทบจะขาดจึงไม่สามารถจะทนฟังอยู่ได้ยามนี้ก็ได้แต่คุณหมอสิริกับพี่แจ๋วที่คอยให้กําลังใจมาอยู่ที่ร้านคุณหมอเสียตั้งนานจึงได้กลับไปดูลูกประกอบกับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ร้านคุณหมอพอเที่ยงก็ปิด ไปดูลูกเห็นลูกไม่ได้สติหมอให้ทั้งออกซิเจนและทั้งน้ําเกลือยิ่งเห็นยิ่งสงสารเด็กอายุเพียงเท่าเนี้ยอยู่โรงพยาบาลจนสองทุ่มลูกก็ยังไม่ฟื้นดูลูกนอนหายใจอยู่อย่างเดียวไม่เคยลืมตาขึ้นมาเลยยิ่งใจเสียและในยามคามเช่นนี้ยิ่งกลุ้มยิ่งกังวลใจไม่รู้จะไปที่ใดเพราะจะไปบ้านคุณหมอสิริก็เกรงใจดูหน้าลูกแล้วไม่ดีขึ้นเลย จึงคิดว่าออกมาดีกว่าอย่าอยู่ทรมานจิตใจพอออกมาจากโรงพยาบาลไม่รู้จะไปไหนบ้านช่องไม่อยากกลับและให้แม่เขาเฝ้าอยู่คนเดียวพอออกจากโรงพยาบาลมาได้สักครู่ก็เกิดความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งยังมีที่พึ่งครั้งสุดท้ายอีกแห่งจึงรีบตรงมาหาท่านอาจารย์พรทันทีในใจคิดมาตลอดทางว่าขอให้อาจารย์พรช่วยดูให้ทีว่า ลูกจะอยู่หรือจะไปถ้าท่านอาจารย์ว่าเขาจะต้องไปจะได้หมดความกังวลจะได้ตัดความเสียใจถ้าเขาอยู่ก็จะได้ทุ่มเทกำลังใจไปให้เขาเข้าไปพบท่านอาจารย์พรพอดีตามปะกะติเขาว่าท่านอาจารย์พรวันอาทิตย์มักไม่ใคร่อยู่จึงได้เล่าให้อาจารย์ฟัง ท่านอาจารย์พรก็เมตตาขอให้พ่อฤาษีช่วยตรวจให้แล้วท่านอาจารย์พรก็บอกว่าถ้าพ้นคืนนี้ไปเป็นปลอดภัยและท่านอาจารย์พรบอกเป็นเพราะแรงสังฆทานลูกจึงได้อยู่ถึงป่านี้ฉะนั้นขอให้ผ่านวันนี้ไปจะปลอดภัยท่านอาจารย์ให้จดวันเดือนปีของลูกเพื่อขอให้พ่อฤาษีช่วย และท่านอาจารย์พรสั่งให้รีบสวดมนต์และแผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมในเวรของลูกและบังคับจิตให้เป็นปกติและบอกว่าพยายามนอนให้หลับในคืนนี้และอาจารย์ให้รีบกลับกลับมาถึงบ้านสามทุ่มเห็นจะได้รีบให้ลูกคนโตกับพี่ไปโรงพยาบาลให้ไปดูลูกไว้ให้ดีแล้วว่าท่านอาจารย์พรบอกขอให้พ้นวันนี้ก็จะปลอดภัย และสั่งถ้ามีอะไรให้รีบกลับมาบอกโดยเร็วเสร็จแล้วรีบอาบน้ำสวดมนต์ภาวนาทำใจให้สงบและแผ่เมตตาไปตามที่อาจารย์พรสั่งเสร็จแล้วเข้านอนในภาวะเช่นนี้ใครจะนอนหลับแต่ในคืนนี้นอนหลับไม่ได้มีกังวลแต่อย่างไร ตื่นขึ้นมาประมาณ24นาฬิกากว่าเพราะเสียงลูกสาวคนโตกับพี่สาวที่ไปโรงพยาบาลกลับมาทำให้ใจไม่ดีแต่พอถามได้ความว่าลูกสบายดีแล้วและรู้สึกตัวตอนสี่ทุ่มกว่ากว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเขาเล่าว่าพอฟื้นขึ้นมาสักพักลูกคุยจ้อแถมยังร้องเพลงทำให้หมดห่วงรู้สึกโล่งอกเพราะคิดว่าลูกคงพ้นเคราะห์เพราะลูกไม่สบายตั้งแต่สี่ทุ่มคืนวันเสาร์ จนถึงเช้าวันอาทิตย์ไม่รู้เรื่องพอสี่ทุ่มล่วงไปของคืนวันอาทิตย์ลูกพูดและยิ้มหัวเป็นคนละคนพอตอนเช้าเก้าโมงรีบไปหาอาจารย์พรพอท่านอาจารย์พรสั่งไว้ว่าอยู่หรือไปพรุ่งนี้เก้าโมงต้องมาหาจึงไปเล่าให้อาจารย์พรทราบและพอวันอังคารลูกก็กลับบ้านได้หายเป็นปกติท่านอาจารย์พรให้ลองถามลูกว่าไปไหนมา ลูกบอกว่าไปเที่ยวมาถามว่าไปกับใครลูกบอกว่าไปกับผู้หญิงและถามว่าไม่กลัวเหรอลูกบอกว่าไม่กลัวพระช่วยตามปกติลูกเป็นคนใจบุญเพราะเคยสอนพบพระให้กราบลูกจำได้แม่นยำพบพระเป็นต้องกราบไหว้บางครั้งลูกกลับเตือนพ่อซิอีกพอพบพระ กลัวพ่อจะไม่เห็นก็รีบบอกว่าพ่อพ่อทูพะทูพะก่อนหน้าวันเกิดสักสิบกว่าวันแม่เขาพาไปตลาดเจอไก่สองตัวถูกขังรอการฆ่าลูกเห็นสงสารบอกให้แม่ซื้อมาเลี้ยงแม่ไม่ซื้อก็ไม่ยอมจนต้องซื้อไก่คู่นั้นมาสีขาวตัวหนึง่งเป็นลายตัวหนึง่งและลูกชอบเล่นเป็นประจำ วันเกิดตอนประมาณสักห้าโมงเช้าลูกกับเพื่อนๆไปนั่งเล่นไก่กันอยู่ไก่ก็ไม่เคยเกิดอาการเจ็บป่วยในขณะที่ลูกกำลังเล่นอยู่กับไก่ตัวขาวอยู่ดีๆปรากฏไก่ตัวขาวที่ลูกเล่นอยู่ก็มีอันเป็นไปคือชักตายไปต่อหน้าแม่เขาจะเอามากินพี่สาวเตือนว่าวันเนี้ยวันเกิดอย่าเอามากินเลยจึงให้ญาติข้างบ้านเอาไปกินแต่ปรากฏว่ากินเข้าไปแล้ว เกิดอาการขากันไกลแข็งและมีอาการหน้ามืดไม่สบายอยู่หลายวันลงท้ายทองแปะ๊ะสินจารุหมายเหตุบันทึกที่พ่อของเขาเขียนมาให้มีเพียงเท่านี้เรื่องนี้มีปัญหาอยู่หลายอย่างที่จะต้องอธิบาย แต่หน้ากระดาษไม่พอจึงยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน